สุขพ่อช้างแก่สุพชันตาปอบบงังพระเจ้าพระทับสงเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจปกติใจทุกคนถ้าไม่มีที่พึ่งเคว้งความ เมื่อเราพึา่งพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เราต้องคับตัวเราเองเรามาอยู่ถ้ำกลางบ้านช่นเงินชันของพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์แต่เราไม่มาคับตัวเราเอง ชนนที่พึ่งของเราเองแท้จริงการพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็คือพึ่งตัวเราเองเป็นแต่เตียงท่านเป็นที่พึ่งเป็นที่เราลึกพางหน้านจิตใจอาศัยความภาคความเพียรความอดความทนความบูชาพยามความบะบ่นของเราต้อนเราเองเข้าสู่พระพุทธเจ้าพระธรรม ตอนเราเองระลึกนึกน้อมุญคุณของพระเจ้าเอาธรรมะของท่านมาเป็นข้อปฏิบัติมากำกับที่กายที่วันใจของเราต้องอัตใจอัตนโนนาทโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเต็มร้อยวิสักทอดถือเฉยนับถือเฉยแล้วันไม่ได้น้อมนำออก เราของท่านมาถือตามระพฤตตามปฏิบัติตามในเมื่อเราไม่ทั้งอกเส้นใจถือตามระพฤตามปฏิบัติตามเอาอะไรมาเป็นผลไม่มีผลอะไรปรากฏในหัวใจของเราเราหายใจฝอดฝอดชื่นเริงนั่งนอนวันคืนเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปไม่มีอะไรเข้าสู่หัใจ เราจะว่าเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่หลักหน้าอย่างไรน่าคิดเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราต้อนเข้าหาตัวเราต้อนเข้ามาหาตัวเราเราตั้งอกตั้งใจพึ่งท่านจริงหรือเปล่าคุณมาทำอะไรที่จะ่ำเกิด ข, ขึ้นขึ้นในหุวใจ เราต้องอาศัยพุ่งตัวเราเองอาศัยกองตาบังเพียรของนราเองพุ่งพระธรรมของท่านามาเป็นบทํากับจิตของเราต้งาา อ, ง, ง, อ ง, งสอนให้เรามีความเพียรต้องสอนให้เรามีความดอดความทนท่ทานสอนให้เรามีข้อปฏิบัติหยุดฉกครับจิตของเราไม่วิ่งว่อนไปตามอารมณ์ของ กิเลสตัณหาแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ไปห ย, ยู่ไม่ไป ย, ยังง้งส่งกระแสจิตร่างลอยไปเลื่อยถุยตามอารมณ์กิเลสตัณหาเราเอาอะไรมาสมบุกเอาอะไรว่าพระิกรรมเาเป็นที่พ์ทุกเอามาพึ่งตรงไหนผลรายได้จะมีจะเกิดขึ้นหัวใจของเราได้อย่างไรหน้าคีอยู่นะ มันคือร่วงไปปล่อยโอกาสมีนาทีเทอาให้เสียไปอีกเสียไปมันคือไม่ใช่ร่วงไปไงไเฉยๆอันนี้ฉันขานไว้เราร่วงไปร่งไปใกล้ความตายเราไปใกล้ความตายกัน ไ, ไปเพราะทุกคนมีความตายดับรออยู่ข้างหน้าเลื่องทุกคนไปไหนกาลังวางแผนเทียว่ เนี่ยแต่สังขารก็เจะร่วจิตใจต้องห่วงกังวลใจเรื่องเหล่านี้จะเอาอะไรมาสนทุจะเอาอะไรมาสนทุในเงี้ยของการถือธรรมระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้อะไรไม่ได้อะไรยืนอยู่บนเรือชาแัญช่องของผู้ทีเจ้าเขาทำเขาสอนและแทนแต่กลับเราไม่ทำคุณนโดยเดิมเกิดตัวเราเองเราจะโทษใคร ลูกสอนมึงคงไม่ทนชี้มหาตัว ร, งรองเ ร, ราต้องอัตตานิยรละโถเพื่อที่จะทำใจผู้มีความบริสุทธิ์หมดจบจา ก, กเกลียดตัณหาโดยสิ้นเชิงวันนี้สาขัดบูชาลองเข้าสู่มหาปรินิพานด้วยพระจิตที่บริสุทธิ์หนึ่ ง, งเดียวยกนั้นสมัยนั้น พุทธบริษัทเอาประสงฆ์ของท่าน้อยแค่เจ็ดวันวันนี้วันที่แปดประมันถวายพระเฝือยี่วันที่เป็นวันขายใกล้าวันถวายพระเฝือมันเป็นทางอแปดวันแรงแปดขั้มเดือนหกไม่ใช่วันเป็นดือนแปดวันแรงแปดขา้มเดือนหกวันเพียง หกเป็นวันเข้าสู่มาหาปฏิภาณดับขันเข้าสู่มาหาปฏิภาณด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิาพานดับทั้งเกเรดับทั้งเบญจะขันเราดับเกเรมาแล้วสิมรีย์เป็นเวลาถึงสี่สิบห้ารรษา สีลวารรภษาเป็นชรียบเวลาทโปร่โปร่ฟังพราก็ศาสนาตั้งิสุอิสยบาสโอมาินกาทั่สังคมวันตินเดียชาวุทปวิญญาณชุกนั้นในสมัยนั้นพอเข้าภาษาสุดท้ายออกภาษาสุดท้ายมนเป็นเรือสน ามาเป็นเวลาช่งสี่สิภาพแร้ธรรมชาติตอนนี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการของพระองค์แน่นหนามันคงเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันคงสามารถจะปรับเพราะว่ามีคนมาโจมมาฟ้องมีคนมาก่อเรื่องก่อเล้วเ ร, รื่ ชี้แจงเขาคือความรู้สึกความเขาใจสามารถดำรงตนเป็นปุถพันธแ่งนโเราเลยปรองดุจเหมนสุาลท้ทั้ง่คนยุคนั้นในอายุตรงร้อยยซูอานอนุรอยรรยี่สปีพระมาสละร์อายุรยสปีแต่ก็ออกาอายุแค่8สกว่าพรราประกาศพระศาสนาสีสพรรษา ตับขันคาสูงมหาปริภานอายุแปดสิบพระธรรมศาในวันเพ็ญเดือนประสมก็วันเพ็ญเดือนหกตัศรถก็วันเพ็ญเดือนหกปริพานก็วันเพ็ญเดือนหกมีแต่วันเพ็ญคือวันเต็มท้องทั้งนทั้งน้ำวันพระยัเต็มหวคือวันเพเดือนห สมภาคภูมิระพิรพโรมทรงเราเป็นรมีมาเต็มเปี่ยนไม่มีปิ่นคำว่าตกภาวะเดืนหกเดินหกประสูตรก็เดือนหกตรัสรู้ก็เดินหกนหกิพพานก็เดือนหกเป็นปริศนาทาให้เราได้คิดไดนะ้เป็นเจละเป็นหลักปัญยาชันเทีย่ยวบ่งมอกถึงุคนผู้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มรอบเต็มพรม้อมไม่มีปิ่นแม่มีปิ่นแม่สา เป็นพระชาติสุดท้ายที่พระองค์ชนะเด็ดขาดมีอะไรมาต่อสู้กับพระองค์ได้ถึงแม้ว่าจะมีขาศึกศัตรูรัควานพระองค์ในช่วงที่พระองค์ประกาศพระศาสนาหากธรรมชาติช่วยปกป้องพระองค์ดเพราะบุญบารมีของพระอีิเพร้อมพระองไม่ต้องมีเปโขนข่อยปกป้องคุ้งข่อยสัั้งนั้นด้วยพระเทวทัตพยายามแอบปลงพระชนพระชนเท่าไหร่ไม่มีไม่ไม่สเร็จ <Mystery Expl osion> ใครจะแอบทําร้ายอะไรเท่าไหร่ไม่มีสําเร็จพิสุททั้งหลายพวกตรยาห่วงไม่มีใครสามารถเราไมา่เราไม่สามารถจะตายด้วยความพยายามของใครทั้งนั้นเราไม่ต้องปกป้องอะไรละบุญบารมีของพระรงองค์ปกป้องดีดมือถือเทวทัแอบต้อนพระชนม์เยอะไรอะไรเลยลิ่งก้อนหยิ่งลิ้นอะไรอะไรไม่สําเร็จชักอย่าง รบบรพระบารมีเต็มเตี่ยมเต็มร้อนใครจะทพระองค์ได้เป็นบุคนเดียวชนะเด็ดขาดไม่มีแพ้อะไรสักอย่างไม่มีแพ้ในอัตภาร่างกายของพระองค์นั้นอันนั้นไม่ใช่พุทธะเป็นเรือนร่างของพุธธทธะเียเฉยของพุทธะแท้คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั้นจะมีจะมีแพ้อะไรไม่แพ้ไม่ได้ไม่มีแพ้แพ สี่อาซุกขายแสนมหากรรบปรมามีที่ทราบมาเต็มเปี่ยวทราบแต่ความดีความดีเท่านัน้นชนะความเลี้ยงความดีเท่านัน้นชนะความชั่วบุญเท่านัน้นชนะบาปประกาศทั้งตัวชนะกีิข้าไม่มีอะไรต่อรองจะต่อกรได้แต่มาเที่ยวกับพวกเราแพ้บ้าชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้าง เพราะอะไรถ้าเราทำดีบ่างทำชั <Okay. S 2> ่วบ้าความสุขก็มีตามมาสุขบ้างทุกบ้าทุกบ้างสุขบ้างคนเก่งอันนี้เพราะของเราเียบอยู่บกอยู่พร้อมอยู่มีแต่ขัขัดเขินเขินอยู่ขัดขัดวิงวิ่งอยู่แค่ตั้งใจจะมาภาวนา ให้ปล่ยโอกาสดีๆให้โ่วงไปให้ลงไปโอกาสที่ตั้งใจอนเพ็ญโดยลำพังมีหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องโมนาสาธุถ้าไม่มีก็คือทำามโอกาสให้กับเราเองทํามาโอกาสตองตัวเองจะให้ใครมาปลุกให้เราตื่นถ้าเราไม่เอาธรรมของทีเจ้ามาปลุกให้เราตื่นไม่มีโอกาสที่จะตื่นได้ นอนหลับไหลอยู่ในท่ามกลางกองเกลื่อนเหม็นอยี่มีวันจบไม่มีเวลาจบแบบทุกไปกี่พบกี่ชาติไม่มีถุกจบไม่มีสิ้จบวันนี้พวกเราตั้งใจภาวนาต้างเพ้่ปฏิบัติบูชาบุญคุณของหลวงจุติเจ้าแล้วทำทุสุวันนี้ถือว่าถือว่าเป็นวันถวายพระเพลินเป็นวันถวาย ในวันสลายธาขันธ์ของพระองค์ที่ื่าปุพัพนธนัชเจดีย์ตรงที่เอาพระธาของ ป่าสาลวับบตรภิญาไม่ใช่ mm hmm. ไปถวายที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่ า, า, วามกาุฏพันธนกเกียถ้าใครเคยไปที่ถาวายพระเพลิงของพระพจารณาจะเห็ที่น้ำสุนาราซึ่งไม่ไกล 有大的小。 ไกตอนนี้เคยชื่อว่าเป็นเมืองกุศาอดีเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นเมืองทีพ่พร่างพร้อมในอดีตการณ์ใน ย, ยุคนั้นสมัยนั้นเรบสามารึก เ, เห็นหมดได้หมดแต่ด้วยเห็นที่กรมาภราิพาที่เห็นมาที่ดีหมาะเป็นเมืองเล็กแต่ไปภริพานที่เมืองใหญ่เป็นเหตุให้ได้เกิดข่าศึกศัตรงกันเพราะไปแย่งชิงอาถิ แม้แต่สิส า, ารวันผู้ชินาราีถ้าไม่มีโทนา ร, รามเนี่ยโอ้ต้องได้รบราฆ่าแ่งกันแย่งแย่งพระทาตของพรกออาศัยว่ามหาปราชโทนา ร, รามนี่แหละสามารถใช้วตารใช้โหหารให้กริย์กทั้งเจ็ดหัวมืองลยนยอมด้วย ด้วยเหยุด้วยผลเราพิจารณานีน่กษะสับกระส่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่จะแบ่งกันมีแต่จะสู้กันหนาจะสุ้กันานเอาคนเดียวจะเอาคนเดียวถ้าแบ่งกันแล้วแต่คนทําไปทําเจีดีคิดไม่ออกต้องโทราพามเป็นคนสแสดงข้อคิดเห็นเอานี้ถวายถวายพระเจ้ามารณ์ถวายกระสับทั้งหา กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็กษัตริยร์นู่นนะกษัตริย์เมืองสาวธีนะกษัตริย์ราชเกิดคึกกษัตริย์ราเมืองสาวถีเป็นกษัตริย์ที่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ฉะนั้นจะสู้อะไรก็ได้เราะเอาชาตาาาาิาาาากษัตริย์เนี่ยขอด้ืยองดิมใช้ศรัทธากราบถวายเจ้าอายาชาติัตนี่ก็ค่อนมูชีวิตไวะระลึกตัวได้ แล้วองยังทรงไม่ชนอยู่ก็ยังไม่ติดพันกับพระเทวทัพด้วยอย่างเป็นพระกุมารพระเทวทัพเป็นกลองจะเป็นลูกสงฆ์ไปขอเรื่องตอราเพื่อจะมาต่อบคนนั้นกับพระพุทธเจ้าจนในที่สุด ข, ขอป่าใน่สุด ข, ขอบริษัทบริวารขอชาตสัตว์ทูไปเป็นลูกสงฆด้วยมลวบัว น, นมากมายแล้วแยกสง ก็มีกลุ่มสมุนลาเหล่านั้นเป็นปลูกสมงสามมาเป็นจำนวนมากนั่นแหละทั้งเดียวกัสังฆเพศสังฆเพศสังฆเพศรเพระเจ้าศัตรูนั่นแหละเป็นผู้กดห น, มนมุพระเทวทัตตอนนั้นมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์มีชานอย่างหนึ่งสามารถสแสดงฤทธิ์ได้พระเชาออกกนโลกรี แม้แต่ยังไม่ได้อริยธรรมขั้นไหนขั้นหนึ่งชางนเหล่านี้ก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต้องการพ ร, ระพระอาจารย์ตรูไม่เป็นวิชาบ ร, ริวัตที่จะต้องนำบทหนู ม, มุขเดชแสดงฤทธิ์เข้าไปแสดงฤทธิ์เข้าไปเป็นพระกุมารมีงูพันมือพันตีพันหัวอะไรเข้าหา ญาติศตจะสัว์ทกว์โรไปโปรยสลายร่างสลายร่าง น, นั้นให้เป็นญาตาศัตรูเพราะไม่ต้องรูรว่าข้าพระองค์เองมาเพื่อจะช่วยโรามาช่วยอะไรเราไมาช่วยอะไรเราเดี๋ยวเราบุญใหญ่เองแอก็ไปกอกมาญาตศัตรูก็ เ, เรื่องใจศรัทธาแลยังวันลห้าราอยสำรับเช่นเดียวกันค่พระพุทธเจ้าที่ปณาราม ก็สัทั้งหายก็เียตรงแยกแยกตัวขอปกครองสองพระองค์ก็ไม่ปกครองขอเป็นเจ้าสำนักพรอง์ก็ไม่ให้เป็นขอวัตถุห้าประการพระองค์ก็ไม่ให้เพราเดี๋ยวถ้าเป็นปู่ทิชนไปขอปกครองสงพระสงฆสเ่านั้นมีแต่อาหารทั้งนั้นอ้นาหน้าตาเนื้นอเกินเทวทัต เราจะให้บรินึปกครองคนที่เหมาะสมกว่าเธอมีมา ก, ากมว่าที่อย่างตระมาตระสปาิษาริบุตระโมกอะไรนะเป็นผู้ที่คู่ควรที่จะปกครองพสงฆ์เหล่า น, นี้และปกครองพสงฆ์เหล่า น, นี้ได้อาศัยเธอไม่มีความสามารถที่จะปกครองพรสงฆ์เหล่า น, นี้ได้พระเทวทัายังเป็นผู้บิชนอยู่ไหนสุโขเรียกไปขออวัตถุห้าอย่างปวดเข้งพวกเชีย เพื่จะไปเอาพระหัวอ่อนเหล่ลา น, ลนั้นไปด้วยไหนจะไปแยกได้จริงๆเนี่ยขอข้อหนึ่งข้อสองข้อ ส, อสามสีรั้วแต่เป็นข้อเพ่งหนึ่งคัดเท่านั้นเนี่ยท่านทั้งหลายอยากได้มรดกได้ผลลูกอวดอ ว, วดใส่หลงพุทธเจ้างไปกับเราใครเห็นด้วยกัเราไปกับเราแหแยกกันต่อหน้าห น, นึ่งไปตั้งสัมนักสัมนัสได้เลยจะขอป่าจากพระเจ้าศัตรู ยัดยุ่ยให้ปาเป็นไปเลยสมรภูมลายเปว่าแยกสงฆ์ทำสารประเภทนี่แหละพระเทวท่านทำสารประเภทสารประเภทระหว่างทรสงฆ์ให้แตกกันทำสงฆ์ให้แตกกันนี่แหละวัดอ้างมิเชลวัดอ้างก็จิก็จิแยกสงนั่นคือพระสารีบ like like ุตรพระองคานตามไปพระเทวท่านได้ฟังกลอม เราเมตใจก้าเหล่าน wow. <laughs> ั okay. ้นพระเหลาันได้อัดได้ทำพระพุทธเจ้าทีุ่ทธองค์พานะถ้าเป็นอัครสาวกต้นซ้ายต้นขวาและเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตเป็นภูมิชนสอนไปสอมาสอนมาท่องไปเอยเดียเงยช่วยสอนแทนเราด้วยไม่ได้พักเฉยเฉยเหมือนพระพุทธเจ้าหรอพระเจ้าท่านพักท่านไม่ได้หลับเนี่ยพรเจ้าท่านพักพักหลับก็ครร อาจารย์พุทกคลานสอนเห ล, ล่านั้นบรรลุธรรมหมดเหาะกลับมาฝ้าพระเจ้าแมดนานตื่นขึ้นมาเล ย, เยสารุสิโกกาลิโกกาลิกกาไม่ดีองสองสามสี่องมั้งพอได้หามาตอนนั้นนะ่ะฤๅษีโ็บอกโนี่แนละเราบอกแล้วเราบอกแล้วอย่าเชื่อภาษารย์พุ้ธมอกคลานพระรามมุกฤๅษีก็เข้ากับอาจารย์ไม่เกิ พระรามุกพระรามุกจับทั้งศัตด์ทั้งสอบทั้งเข่าอาจารย์อีู่แล้วบอกแล้วไหมเชื่อเราบอกแล้ไหมเชื่อทั้งสอบทั้งเข่าจนวัดเทวทัศนอาวเรือตรงนั้นจะปูไปที่ลงในขณะเดียวกันก็มัารำลึกถึงเบื้องหเราไม่เคยชนะฟองเลยสักอย่างเหรอเราลึกถึงตั้งแต่สมัยเป็นเด็กสมัยโตขึ้นมา ทำไมอะไรอะไรไม่เคยชนะพระพุทเจ้าสักอย่างสเรื่องทำไมพระุทเจ้าท่านไม่ได้ตั้งใจจะแกะ่อะไรบารมีท่านแก้บารมีท่านปกป้องบารมีท่านทำหน้าที่แทนทั้งหมดท่านอยู่แค่ไหนท่านไม่ได้มาตอบโตอะไรบารมีท่านปกป้องคุ้มครองโปรได้หมนึกถึงยังไงเราแอานึกถึงยังไง ก็ไม่เคยมีความโกรธยังไม่เคยมีความโหดร้ายตอบโต้เราเวยแม้แต่ครั้งเดียวในท่สุดก็เลยบอปรองใจเออพาเจ้าขอกมาท่านเถิดกำลังผิดซ้ำไมผิดลูกศิก็เลยพาเจ้าองมาคุยเจ้าจากนาจะขึ้นไปเชียดตะวันสาวัตถีหาบไปสาวัตถีมันใช่ใกล้ๆกันะจาก่าจะขึ้นไปสาวัตถี ใครเคยไปเรียนจะรู้จะเท่าก็คือไปสาวกถิ่นชิ้นใตล้ๆเรานั่งรถเป็นวันหาพระเทวทันไปแล้วก็รปเจ้าไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าท่ทานนน์ก็เลยทราบดีมากสราบว่าพระเทวทัตจะมาขอเข้ามาก็อมกมงมาเข้ามาถึงเราแบมาก็ไม่เห็นเรา าราลงกระดายนา น, นจนปจิจารย์ยากมาถึงนู้นแล้วปเจารย์ข้ามาถึงนู้นแล้วปจิจารย์ามายังไงก็ไม่ไ้พวกกราวมาังไก็ไม่ไ้พวกลราวรู้หมดรู้เหมือน ด, ดูตาเปลา่าๆแหละเห็นหมดมาพอไปถึงหน้าวัดเทวทวั น, นเหลือวประมาณสองสามเซนนั่นเลนั้นมีศักดิ์ไปวางลงพรหลังจากพระเทวทัตเจ้าสองไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านจบทํามาย เทวทัจะต้องถูกแผ่นดินสฉบภายในเจ็ดวันจะต้องถูกแผ่นดินโฉจะต้องถูกแผ่นดินสฉบจากนั้นแล้วก็มารู้สึกนาหามหามามาถึงหน้าเชตทวารอยู่เทวทัตก็เอาขาหย่อนลงไปถึงดินแผ่นนี้ก็แยกดูยยุบยุบยุยุลงลแผ่นดินเลนะ เป็นคนก็เรียกคนหนักแผ่นดินผู้หนักแผ่นดินจนแผ่นดินไม่สามารถจะรับรองได้ไม่สามารถจะตามถางได้โหนยุบจุบยุ บ, บ, บ, บ, บแต่เมื่อเหตุที่สํานึกผิดมาแล้วดูไปจะเลือกจะสํานึกแล้ก็ตั้งปฏิฐานได้ไเหลือทางทางไปดูไปจะเลือกจมมาข้างล่างแนะ้วนึ ออกปาขอพึ่งพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึนงเพียงเท้ขอถวายคางกันไกลเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพึุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่เพงเป็นที่เะลือแนดิน่นดูดจบลงไปจบลงไปก็ไม่มีอะไรขั้นเขาเรียกว่านามจะแยกต่างไม่มีการถ่งขั้นลงมาเวจีโลกเดี๋ยวดึงลงไปสู่เวที พระองค์ก็สรงแย้มอยู่ที่เทววันเราทรงแย้มอยู่ที่เทวทวันโอ้พระเวทัตเธอเกี่ยวข้องกับเราเธอข้าไใเสียราพระพุทธเจ้าทรงนำมอนถึงอติตานสยามอาาตานสยามเล่งรัวในอนณาตานสยามจากนี้ไปธนกับทนกับทนักับหลังจากเธอพ้นจากโทษเหลาแล้ว เธอจะได้เป็นพระปัิเจยนพระพุทธชื่อว่าอธิอธิอธิกัสสาระอธิสารผู้มีกระดูกเป็นสาระน้องนั่นเถิดถ้าเอากระดูกคันใครถวายจะมาบรรุเป็นพระปฏิเจยนพระทพุทธเป็นพุทธะเหมือนกันนะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะตั้งเป็นศาสนาได้ชื่อว่าอธิสาระอธิสาระ พระพริจะพระปฏิบรร์ุพรารอรหันต์ตัวเอไม่ได้ฟังจากใครไม่สามารถจะตั้งศาสนาได้เพราะสร้างวามีแค่กึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยเธอมาเกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เสียประโยชน์นะจากนี้ไปเท่าั้กับท่านกั บ, กบเธอจะได้เรนรูปเป็นพระปฏิเป็นพุนทธะเน่แต่ในระหว่างเนียแต่ก่อนนันฮะแต่พระเจ้าผู้ธเจายัางทรงดุจยนอยู่ ก็รวยจะจได้พระนิพพานะตั้งแต่เกิดขีกกับขีการมาแล้วเนี่ยโอ้เป็นพระเอกกับโกงต่อสู้กันมาตลอดพระเทวทัศน์ับพระพุทธญาณนั้เทวทัศน์อาคาตจองเวงข้างเดียวพุทธญาณไม่ได้จองเวงแต่พระเทวทัศน์อิทธอาคาตจองเวงข้างเดีย ว, ว, าาวด้ยวยเห็นที่เป็นค้าขายด้ยวยกัน มนมีอยู่ในเสรีว่าวานิชาชาติหมดถึงการไปค้าขายในุนั้นในสมัยนั้นตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้ า, าไปค้าขายต่างคนต่างมีของของที่มันไปขายเอา้เนี่ยเพื่อประดับเอาไปขายไปก็ไปเป็นหมู่เป็นฝูงเหมือนอย่างที่ทุกวันเขาไปขายกันหนะ้าคนสิบคนเนี่ยเขาประดาไปแต่ไปด้วยกลุ่มกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่ม คนไปขายเครื่องประดับด้กันพอไปถึงหมู่บ้านใดทางคนนั้นก็เข้าไปแยกย้ายกันไปเดินตามอิสระเดินอย่างอิสระไปใครเจบมีปชคไปใครบจ้าไปใคจไปพอไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ไปค้าขายเนี่ยประเที๋ยวครับเดินไปก่อนเดินไปก่อนยายยายน้ำดับยาแลกเครื่องประดับให้หลานหลานอยากได้เครื่องประดับ แต่ไม่มีอะไรเลยมีถาดใบเดียวเขาจะมาแ้กเป็าเงิไมระดอนไหนเทวดาตอยู่นิยุ่งนั่นนะในสมัยนั้นเทวทัรู้ได้ทันทีถถถถนโอ้ีหถาทองถาทองคำโอ้ยคุแม่เพราะถานนี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยเลยอาไปคืนจ้าเอาไปคืนจ้าหวังว่ า, จ, า, ว า, า, จ, าจะมาเอาง่ายๆ่ายหมัง่าจะมาเอาที่หลังจะมาเอาง่ายง่ายน่าจะ เลยเดินทางเดินผ่านไปใช้ใจมันผูกไว้แล้วถาดทองคาจะมาเอาให้ได้ราคาถูกๆมั้งนะจะได้รือของได้เลีเ่ยงแค่เพียงนอนคือความโลภเกิดขึ้นในใจนเขาเรียกว่าโลภมากลาะไปหายโลภมากลากหายเรื่อยไปพุทธเจ้าเดินตามนั้นมาตามคนตามมของแรแยนะ่ๆเลยขอกระดับนี่กันยายนี่ก็ยังยังไม่อยู่ในหลานยังอยากได้อยู่ยังไม่ได้ขอกระดับโอ้แม่อยากได้ เครื่องประดให้หลานนี่ตอนนี้เป็นพรุธทธเจ้าเ น, นี่ยตอนเนี้ยในยุคนั้นเป็นชื่ออะไรก็ไมนะ่รู้นแม่อยากได้เครื่องประดให้หลานแต่แมไม่มีอะไรมีถาดใบเดียวนี่แหละเอามาให้หนูอู้คุณแม่ทองทั้งแท่งเลยทองทั้งหมดเลยของที่ผมเอามาทั้งหมดเนี่ยตรงนันก็ราคาไม่คู่ควรกับกับถาดทองคําใบนี้นี่คือคนตรงครับ คนคนคนโกกับคนตรงมันต่างกันใช่ไหมเราศึกษาีเราดูพฤติกรรมเราดูพฤติกรรมของคนดีกับคนไม่ดีเราศึกษาดูาพฤติกรรมของคนไมดีเขาทนี้พฤติกรรมของคนดีนดเาข า, าทำนี้เ ข, ขาขซื่อเขาตรงการซื่อการตรงเรามีผลเมื่อมีอันดีส่การคดการหมอนอันไม่โทษ มนันมีเวรมันภัยเป็ น, น, ป น, ป น, นท่านเทวทัตีดาวชนาพุทธิเจ้าไม่ได้เสียใจไม่ไสียเพื่อคนซื่อคนตองคนเป็นธรรมคนมีธรรมใน่นสุเลยเลยพุทธิเจ้าเลยเอาถาดใบเดียวเลยของทั้งหมดที่เอาไปให้ใหยายนะทั้งหมดเลยของทัาหมดนี้ราคาก็ไม่เท่ า, า, ากไม่เท่ากับถาดใบเดียว ก็ได้พุทธยาก็ถ่ายเนื้ดี่รกราบก่อนเนะี่ยกลาบก่อนเอี่วทักก็ได้ชอบเขาเลยตามไปอีกพอจะเดาเนี่ยตามมาจะเดนะา เ, ดเกอนหน้าเกินยายนเนี่ยไปโอยเอาไปแล้วพุทธยจก็เอาไป่อนแล้วเพอได้นะ่ยท่านพิธกราบก่อนเนะี่ยท่านมาได้อยู่ตาพร้อมกันเนะี่ยไปเลยข้ามน้ําข้ามน้ําไปแล้วข้ามเรือแล้วอนนั่นแนหะท่านนี้ไปโอ๊ ย, อยเสียใจจนกระอักเลือดจนหลอด จนก็อาคุณเกิ่มาแล้วเนี่ยขอจองเวรจองกรรมตั้งแต่ฝันนั้นเป็นต้นไปดูสิ้ตั้งแต่อีฝ่ายไม่รู้เรื่องรู้ราวะลยนะจองเวรจองกรรมห้างเดียวตั้งแต่นั้นมาไอเจ้าเวรติใจที่มันผูกอาฆาตพยายามไปเลยพลังของความพยายามนี่แมันหมุนให้ไปเจอกันทุกภพทุกชาตินะเกิดชาติไหก็เป็นพระเอกกับโกงอยู่นี้แหละตลอด มาจนมาแล้สุดท้ายเนมาเกิดลยเชืเ่อต้องบอกด้วยกันเนี่ยชาตาแบบิสุดท้ายเแนบบี่ยน้อยจะเกิดรูปพี่ลูกน้องพระเจ้าก็เป็นลูกพี่เทวทัศนก็เป็นลูกน้องนะลูกของคนน้องก็เป็นพี่น้องกันเลยเป็นพี่น้องกันแหละไหนสุดแล้ออกบวชออกบวชไม่ใช่อะไรนะออกบวชไปเพื่อจะเป็นแก่แค้นนะไหนสุดทำอะไรลงไม่ได้สักอยานะ่าง เจ้าของแพ้ภัยเสี่เองแพ้ภัยสี่เองทำานวยกรรมไทํทำานวยกรรมปฏิปทาเนี่นเ ย, เ, ย, ป เ, ย, เ, ยเป็นขอขอวัถูกห้ายอย่างปวดขอนไม่ใช่อะไระขอนี่ปวดปวดเคร่งเฉยๆนะไม่ใช่เจพาของทำได้นะ<ม>ขอท้่ผสม อ, อยู่ปาเป็นวัด อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในที่มุงที่บางมีโทษเข้าบ้านเข้าสู่ที่มุงที่บางมีโทษใช้ผ้าบางสุขุลเป็นวัดไม่ให้รับผ้าดีที่เขาถวายอ่าถือว่าถือผ้าบางสุขุลเป็นวัดถือผ้าสามถือเป็นวัดและอะไรในสุว่าอ่า ฉันม uh, ังสะเวระเป็นวัดไม่ฉันเนื้อฉันปลาพิสุรไล่ฝือตั้งข้าข้อเหล่านี้ถือว่ามีโทษมีโทษมีโทษมีโทษทุกที่ที่เราทงบอกว่าเราละไม่ไย้เทวทัตในจุดตั้งห้าข้อนี้ฉันฉันเนื้อฉันปลาเนี่ยฉันเนื้อชันปลามังสะเวระหมายว่าไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลา ฉันพวกพกเกล็ดผักโอ้โหใครอยากฉันเนื้อฉันปลาก็ฉันไปแต่ให้พิจารใครอยากฉันมังสวิรัติฉันไปเราไม่บังคับใครอยากฉันเนื้อฉันปลาก็ฉันไปแต่อย่าไปฆ่าเองแล้วก็ฉันเนื้อก็ต้องให้พรณเจอ้อเนื้อต้องพิจารณาถูกเนื้อถูกเนื้อช้างแล้วมาเอ เนื้อสุนัขเนื่อยะเนื้ออะร่รเี่าสองห้าชั้นเนื้อต้องใหพิจารณาเนี่ยแล้วก็อยู่ปาเป็นไม้ก็อนุโลมเข้าในชุดหลงอยู่คนไม้ต่อนุโลมเข้าในชุดหลงถือผ้าสามถถึงก็อนุโลมเข้าในชุดหลงพิสูจนไปต้องการต้องการจะถึงก็ถือได้องไหนไม่ต้องการถือข้อปฏิบัติเราที่เราทรงวานไว้สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมแล้ว ธรรมที่เราประกาศเรบอกเราสอนเกิุดท่าไหเ่งนี้มีสมคุณรณบริบูรแล้วไม่ใช่ศาสนธรรมของเรามกพร่อมเพราะฉะนั้นที่เธอที่เธอเสนอมาเนี้ไม่จ า, เ, าเป็นเราล่าไมได้คุณจำได้รับโอ้ยเครียใหญ่เลยนี่นี่เป็นแยกสองในเรื่องันเปโธิเราศึกษาใรเราศึกษาเรื่องอยู่พติกรรมองคนไม่ดีมีพฤติกรรมเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้น เราไม่จะได้เจ็บเราจะได้หลตอนราจะได้เป็นคนชื่อจะได้เป็นคนกลนี่เราก็ถึงพระพิฆาตลงรถสงพระชนมยุเทวแทไปก่อนพระองค์สรุถุพโมลานั่นก่อไปก่อนพระองค์พระมหาสลไปก่อนไหมฮะพรมหาอัลลาหไปสิหลังถามไไปก่อน แต่ภาษาที่อยู่ทั้งหมดตอนนั้นนั้นี่นานนิทานก่อนแต่ยิ่าพระมรสบปรดอายุร้อยยี่สิบปีรอี่สิบปีจบยันไม่เผา เมฆไตรมาจะได้ออกเาเผาบนฝ่ามือมีทำนายเอาไว้ก็เคยมีกรรมต่อกันเคยมีกรรมต่อกันเนี่ยเราเราไม่ที่ดูเราจํากที่เขาเล่ามางเราไม่ได้มตำนานดูเราวม่มีกันท่ไหนเรื่องพระมันสับปะเรื่องพรเสียเลี้ยงม่ไตเผาศพพระมันสับปะพื้นฝ่า ซื่อที่สุดตัวชื่อตรงที่สุดบ อ, ดอาอะไรนะก็เลยให้ช้างไปจักเล็บคนน้องอะไรนะีมีการพูดกันอะไรยังไเราลืมแล้วละเรื่อยเ่านี้ก็เลเป็นการต่อ ไมาา่มีแค่ว่าข้างขือไม่มีพิธีทีทท่ตอไรใหญ่โตกระโหลกเขาเขาจะมีไม้สองสองตัวสามตัวสี่ตัวไอ้ต้นขวางล่างไอ้ตัวตัวสอมซ้อนแล้ววางไว้ข้างบนแล้วก็มีอะไรสารๆๆรสลารับเป็นตะแค่ถามแต่เอาสดไปวางบนนั้นหนหะมีผ้ามีอะไรคลุมก็แห่เปนหามงไป ถามไปแล้วบอกอะไรอะไรพระเจ้าซื่อที่สุดอะไรพระเจ้าอะไรที่สุดความตายเที่ยงตรงที่สุดความตายเที่ยงตรงที่สุดอะไรก็หเหงก็ควา อ, อะไ ร, ะระอิเดียร้านเรป็นอินเดียเราไปเห็นเมื่อวานเรียงเป็นตับตับตบตั บ, ต บ, ต บ, ตบที่หนา้าร้านเขาขายหน้าก็ลองเขาเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่มีลองเป็น เป็นดีเป็นต allow, ุ้งเหมือนแบบนี้มีไม้มีไม้เป็นขานสลับหามวางไปไปแล้วไปวางคนเจือตะกอนไม้ทับๆๆบๆๆเผาถ้าเป็นคนรวยก็มีเงินมีเงินซื้อฟืนองพอได้เผาจนไหม้หมแต่ถ้าเป็นคนจนก็้วมีเงินไห่พอฟื้นแพงเผาได้พอน้ำด เขี่ยลงน้ำเขี่ยลงน้ําน้นนลองไปน้ำคงคาไปดูที่มันปลาสีน่ะเผาสดวเขี่ยลงน้ำเผาสดเขียยลงน้าตรงท่าตรงนั้นท่าอะไรนะท่าอสวรรค์มีท่ท่าตรนั้นพวเราชอบไปดูตรงที่เผาสดตรงนั้นท่าอสวรรมีท่ ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโบสถ์ราหมในโบสถ์ราหมนั้นมันจะมีไฟไฟนีไม่เไฟดับเขาไปเผาตรงนั้นเขาไปต่อไฟไดนะ้นแหลมาจุดไปต่อไฟในโบสถ์ขนะ้งทําหมณ์นั้นมาจุดตรงนั้นเป็นห้าพันปีมาแล้วไม่เคยไฟไม่เคยดนะับไฟไม่เคยมอดอเนี่ยเราจห็นว่าศาสนารามตรงประมาณสี่ต้นเขเจอในเรืที่วันนี้แต่เขาถือว่าเขาเจอนะจ มีบางมีพิธีมีอะไรมุชามีน้่งโ ค, คาตอนเช้าหนาวจะเป็นจะตายไปลงอาเป็ดนดำถุกดำถุกดำถุกอยู่นั่นแเขียข่ยศกก็เขี่ยลงไปาอาก็อาไปน้ำสกปรกสกปรก็ไหลลงไปนอ้อาพเ่ยจนะกินดีขอพที่ยวกลับภูมิลำเนาเจ้าขออีก ไม่น้ำเยเียมไม่แม he ่น้ำองคาไหลไหลเอื่อยเอื่อยเอื่อยเอื่ยแต่ปรากฏว่าคนไม่เป็นโรคเป็นหาจากการไปอานน้นที่นั่น้ำที่แม่น้ม่น้ำองคาไม่เป็นเราไูตรงนั้นศาสนาพราหก็เจอเขาเจอมากตรงนั้นมันเป็นท่าต่างๆที่เขาจะทำพิธีอะไรจะมาเก็บอาการนี่ลุกลามไปถึงกราง กระเจ้าของเราก็รีผ่าแล้วออกไปแค่เจ็วันวิธีทาศพของ พ, พระองค์นั้นแบบพระอาุธถรมาถามพระองคไปพุทธยถาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเธออนุมันเป็นหน้าที่ของพวกสัตว์พวกพราม์พวกกรุงปีพวกอะไรที่มันาาจะจัดการศพของเราถ้าหาเขาถามข้าพระองค์ว่าคนจะจัดการยังคนยะทำยังไง พระองค์พระเจ้าไปตอบไปบอกเขาน่พระเจ้าเลยไม่บอกให้ถ้ามีศาลาถามเนจะจัดการกับพระศพพระองค์ศพของพระองค์ยังไงบอกว่าให้เอาผ้าให้เอาสัมภีห้าร้อชั้นพันพันพันพันพันพันพัเพราะัตรายของโระงห้รยชั้นหรือห้าร้ยชิ้นเราไม่รู้ ถ้าเราชั้นขนาดไห น, นเราสมดีพันแล้วเอาไปแช่ในรางที่มีที่เก็บไปด้วยนมันมารางที่เก็มไปด้วยมันมแล้วก็อยู่บนเชิรตะกรอนเนี่ยตามตามที่เราฟังนะฟังบนเชิง์ตะกรอนแล้วก็พอครบวันที่เจ็ดเนี่ยวันนี้ย พยา er ยามเผาเท่าไรก็ไม่ดพยายามเผาด้วยไฟทรรมดาเฝ้าเผาเท่าไรก็ไม่ดเผาเท่าไรก็ไม่ดเผาเท่าไรก็ไม่ดพระอนุทธาภรเลวบอกบอกว่ายังคอยพระมาราสปารอยู่พระมารธาสปาร์ยังมาไม่ถึง โผมาเพื่อให้พระมหัศปเกิดการพิพร ม, มานพอหลังจากพระมหาาัศปกราบฝากพระมาเสร็จไฟทิพย์ลุกคึ้น เ, เลยทุกข์ก็เป็นไฟของเทวดาไอ้ที่จุดไม่ติดจุดไม่ติดเพราะเทวดาทําให้ติดเพราะนั้นนะเทวดาเารู้พระมหัศปายังไปไม่ถึงนี่นะตั้งนานหนึ่งเราก็จำใจนี้เลย <c oughs> ไม่ได้ ด, ดูานดา น, านาาแล้วลมหตำนานการเผาพระของพระเจ้าในที่สุดไฟทิพย์กงเทวดาไฟเทวดาน็ดิ่งเไฟไมไม่เสียเหลืออะไรบ้างมเหลือผ้าขาวผู้หนึ่งอะไหม่ไมเหลืออะไรม่จะต้องอ แล้ไปมาที่กันเลยมันนามกษัตริย์ทั้งหลายก็จะแย่งกันมันนากษัตริย์ทั้งหลายจะแย่กันตามคนตามเตรียมกอ ง, อ ง, องทัพกองอะไรเพื่อจะไปรบเอากันอะไรแต่ทีนี้ด้วยวาทะของโทนกรามโทนกรามข้าลองไปถามทําไมพระองค์ต้องไปปฏิบัานที่นั่น ที่นั่นเป็นเมืองแร่แต่เมื่อก่อนนั้นเมืองศินลปะนี่นถึงเมืองใหญ่ชื่อเมื่อศอัลย์ถึงมองเห็นสมุนไพรูนตั้งเต่าอทย่างถึงเมื่้ว่าตอนนี้จะเป็นเมืองแร่ก็ตาแล้วที่สัมผัสที่สุดไปเราจะต้องไปที่นั่นก็จะต้องบวชราบดินก้นหนึ่งสุภาาัทนะและที่นั่นก็มีโทนพราวสําหรับเป็นผู้จะแก้ปัญหานี่ ท่านี่สุดท้อท้ามเนี่แหละมาพูดแก้ปัญหาให้เราเลยท้อท่ามพวกเราเคารพคำสอนของพระองค์คำสอนของพระองค์สอนให้เรา อ, สอดสอนให้เราถดสอนให้เรามีเมตตากรุณานต่อกันสอนให้เราสามัคคีพร้อมเพรียงกันในเมื่าเราเอากำลังมาตอสู้อันนี้จะชื่อว่าเราเคารพปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ไดไ เลยขอเสนอความคิดเห็นเขาเลยว่าหัวเมืองเจ้าเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองให้เป็นพระบรมธาตุองค์หลวงให้ครบทุกเมืองเมืองนั้นก็เอาไปทําเจดีเมืองนั้นเอาไปทํตามใจดีเมืองนั้นเอาไปทําเจดีเลยเป็นการกระจายเป็นการขยาย พระเจ้าขยายไปทุกๆเมืองเอาชีสรายดีให้ยิ่งบบใหญ่ขนาดไหนไหนสักละไร็ยิชอบยิ่งชอบตามน้เลยให้ธนราภิเแ บ, บ่งแบ่อาทิทานเมื่อก่อนนั้นเขาคงจะคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะแ บ, บ่งกันหรือไม่แ บ, บ่งกัไนมไ่จะเอาจะเอาหรือจะสู้กันเอาได้หรืออ่ามีเป็นเหตุหนึ่งว่าถ้าพระเจ้าไปพริบานที่มือใหญ่ มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดฆ่าสิศักดิสทธมด้วยเหตุที่เปเกิดไปไปปริภาที่เมืองเล็กเลยเป็นเหตุหว่า ต, ต้องยินยอแบ่ให้เขายินยออันนี้คือบติอันหนึ่งข้อนสาเหตุหไปปฏามันงเ่็กไิภาที่เมืองเล็กจากนั้นให้โทรราแพระธาตุเมื่ อ, อไรนะเมือนเรากลับป่าหรือเมืองอะไรไปทีหลังไปทีหลัง ได้ทีเท่าจะม่ได้ทางานเรางานนะืได้ทีเท่าได้ที่เท่าไปโทนพราหมณ์ได้พระเที่ยวของพระโงมาแล้วมันเหน็ไว้ที่มวยผมเหน่บไที่มวยผมก็หายหาสุดเสุดเลยขอทนานก็เลยไปทาเกลีดจุ เป็นตรงภพระเจดีย์ตุงภพระเจดีย์นี่ตรนนาคที่พระเจานน้าปฏิบัติเกี่ยวไว้เจ็ดกานเนเรเผาวันนี้วันนี้เป็นวันถวายพระเพลิถวายที่นครพันพธุพระเจดีย์เมืองกุศลนากาก็เป็นต้นตรนานที่เราดใ น, ในังได้ศึกษาและทั้เราเกิด ส, สงบสงบนอนได้เราได้ถึงบุญถึงคุณของพระองค์ องคุปตะมาพร้อมกับเอาความน้อยสุดมาพร้อมกับเอาธรรมกมาพวกเราทํกหายได้ยินแม่ฝรั่งท่ใจศึกษาพูดได้ยินแม่ฝรั่งแล้ว่ใจศึกษาแม่ท่านใจคพึ่งตามปฏิบัติตามแม้แม่ทำพ้นทุกคนโทษไปในสมัยนั้นในรูปนั้นเป็นพระอรหันต์พนทุกคนโทษไปเป็นเจ้าของมาก พระพศาสนาตามบอกคสอนของพระองค์ตกค้างหลงเหือมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ผู้ที่ตั้งใจศึกษาตามพระพุทธปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นั่นแหละคือพระสงฆ์สงฆ์เหล่า น, นี้แหละทูกสืบทอดคําสอนของพระองค์มาหลังจากองค์พระนิพพานไปแล้วหลังจากพระนิพพานไปแล้วสามเดือนพระมหาระสร ม, ร ม, มสะธรรมปฐมชัยนา ตามธรติยานาเพราะมีสุภัททะสุภัททะชื่อสุภัททะเหมือนกันรูกสิษของรพระมหาสัพอยู่ที่เมืองปาวานะเพราะรู้เอาพระพทเจ้าปรนิาานิพานพิสุทธ์ทั้งหลายบางคนที่ยังเป็นพุทธชนอยู่ก็รอ้องไห้ร่ควนต่ อ, ตอนนี้จะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วอะไรสุภัททะเพราะงั้นเป็นคนบวชไยแก่ คนคณะสุภาทานนะมันไม่ใช่คนเดียวคับคนคะสุภทานก็เยกสุภาทานวุฒิบันชิเป็นปนปวดในภายแก่ท่านหลากหลายจะ ร, ร้องข้าวดนี่พระขคดมทำไมสมัยท่านอยู่ท่ า, านก็นห้ามอย่างนั้นท่านห้ามนี้เรายากลำบ า, บากจนจะตายไปต่อไปนี้เราไม่ต้องมีไรไม่ต้องฟังใครแล้วเราอยู่สะดสบายแล้ว พ, พระมหา็สกัณฐ์ได้ยินเอพเจ้ารนิพพานสดร้อน ทำไมคนนี้มันกล่าวชั่วจากพราะทำมาบินายของพุทธิย่าทึงขนาดนี้วิธ <c oughs> ีการไปขา้างหน้าจะถึงข่าวยากลำบากจะมีคนย่าดีเพราะทำรรมาินัยของเรจึงทํมาถมสังขารนาหลังจากนั้นพุทโธมแล้วสามเดือนทำมาถมสังขารนาที่ถ้าสัตต บ, บนันนาครูหานี่อันนี้เราไปอินเดียเราไปคือเรียนหลวงถ้ำชาติมเดี๋ ย, ย, น, ยนี้ไม่เหลือเป็นถา้าอะไรเหลือเป็นหน้าผา เรียเขามีรูเล่เขึ้นไปขึ้นไปตามโศกเหวข้าขงบ น, นไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรหรอกคราว่อก่อนมันเป็นถ้ำใหญ่เดี๋ยวนี้พังไปหมดแล้วตรง น, นั้นะไนอ้ตรงตะปูทานามงนั้นแหะเราขึ้นไปตรงนั้นเลยนไปโอ้ขึ้นสูงมากนะเ่ยแต่สองามคัไปจะถึงเกือบหาใจมทั่วรองสูงนั่นะจัตาจตาลถ้ำจตาลนะคร ไอเราเลยขึ้นไปเลยจะถ่ายไอพวกวิ่งขอทางวิ่งสบายใจโอ้ยคนนี้มันเหยไม่เป็นลมหรมั้งไอเราไม่ไม่มีแรแท่จะขึ้นยากนี่ยากพอคนนี้วิ่งขอทางอยู่วันนั้นหนึ่งมันทำจตจัมันกูะนอนน้ำใจเศร้าโศข้างคนก็จนอนเป็นพระสุาทันยังมีความเสียใจ โปร่งที่เราไปเราก็ยังไม่มีพันทําอะไรมากามามามน้นองให้ข้าวควรนะอานนท์เธอจะจบเศร้าข้าวควรไปนัเธอเลยเธอเป็นผู้ทําบารมีไว้มากจากนี้ไปสามเดือนเธอจะได้เป็นพระอาหารในสุดถึงวันครบสามเดือนพระมาสดาสปจะทําสัญใคยมาถ้าอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอาหารคื อ, ค อ, อ น, น, นั้นถ้าเกิดอานนท์ทำความเพียรท่านือไม่ได้าหลับให้เรา ก็วันรุ่งขึ้นเราจะวันทำทั้งไทยทั้งนาทำความเพียก็คือเหลกหานั้งอยู่ทั้งเดิทั้งนัทั้งอะไร่าแต่จิตนหมุน mm. อยู่อย่นั้นเลยในสุดก็โอใกล้จะวาพักเ้านอนก็เลยไปเอนกายม่นจะพักานั่งก็ยังไม่ใช่เจ้านอนก็ยังไม่ใช่เจ้ายืนก็ยังไม่ใช่ากาลังาาจะปล่อยอารมณ์ที่ิต น, มนหมุอนอยู่กับธรรมะเรื่องสูง ปล่อยกินก็เป็นเสาร์ทำท่าจะนั่งยังไม่ได้นั่งยังไม่ถึงา็จะนอนยังไม่นอนนั่งยังไม่นั่งก้นยังไม่ถึงยืนยังไม่ใช่ก็เลยเข้าถึงจักสรูเป็นฐาานต่อ น, นั้นตอนที่จิตมันปล่อย ม, มันวางจิตมันว่างเมื่อก่อนทีจิตมันหมดมัดมันเดินไม่ไม่ว่างมันไม่มีชอ่องไม่มีช่องที่ มันจะทำให้กิเนี่ยพ้นไปได้มันผูกพนอยู่กับมากอมากยังทงานเราามาถ้จิตได้ว่าราเนี่ดินไปโรตรงทําปลาข้าวปาไปชุมอยู่สมวาเราทอยู่นานเท่าไหร่นะ้ไีหอยู่กี่เดือนหเดือนเนี่ยนีเปนเอาที่สุภะ ปลาจ้วงจับก็ทำาอย่างอย่างเงี้ยทำคั้งที่หนึ่งทำสังเวยนาทำสังเวยนานี่คือไปสารวจตรวจตราไปทบทวนไปบอกคาสอนข่อพระพุทธเจ้าเพราะยุคนั้นไม่มีจัาหวะทุนาไม่มีทนาน่ะมีแต่จําจำอ้หนึ่งได้ฟังธรรมะจากโอ้หนึ่งําต่อต่อไปบอต่อต่อไยจำไปเรื่อยทำสังควยนาเนคือมาตรวจสอบมีความจามีความทรงจามีข้อปฏิบัติเหมือนกันไม่อะไรกันไหม ในยุคนั้นแหละที่จะได้บอกเทรวาธเทรวาธเอาคําสอนของพระมหาเทระเ่านี่ยมหาเทระเ่านี่ยเทระว่าทักเทระว่าเทะว่าทเพราะเพราะนั้นพวกเราจึงจึงชื่อว่าเทรวาธเทรวาธเทรวาธกับมหายานเนี่ยเทรวาธคือพอกเรามหายานคือพวกที่ไปทําอะไรตามใไม่ได้ทําตามวาทของพระเทระคือ พระมหาธัชปัตย์พระอนุลบอกบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยถามเคยสั่งเอาไว้หลังจากนรกไปแล้วเจะลดทอชีขาวดบ้านก็ได้ชีขาวดอาบบ่มาลาลดทอนางใดก็ได้ พระมังกรเลยไปเผยแพร่ในถ้ำกลางนั่นแหะแต่ว่าพระมั์บกพร่องไม่ได้ถามสิ้าตรไหนที่ให้รถถอนสิ้าตุ๊ก่าประมาทุกข์กุศลหรือเปล่าอะไรก็ไม่ได้ถามคณะสงฆ์ถึงว่าพระมังมีบกพร่องระอาัตพระอนุพระมณุปปราบระมาททั้งสมงตา้งหมายข้อในการทาจางยานะนั้นแะ พระนนทร่านบอกท่านไม่มีเยตนาท่านไม่ได้ผีข้ออะไรข้อหนึ่งแต่เราเห็นที่ท่านอารบในคณะสงฆ์ท่านยินดีเฉลยบาปข้อหนึ่งที่พระบาตรุกกฎรานนทรคือพระนรินทร์ไปเย็บสังฆติพระพุทธเจ้าเขจะปักปหรืออะไร ไ, ไม่มีคนช่วยจับท่านเอาเทาข้างหนึ่งดีไปมือข้างหนึ่งจาะมือข้าหนึ่งเย็บนังนงนงนงนงสงเลยปรับว่าพรนรินอ่์ ร่มเกินคนติดยาเราไม่มีจิเจตนาร่เกินแต่ด้วยคว า, าเคารพในพมหาเถร่านีเรามีดีแสดรบัแม้แต่ที่คุณชัยเราสามารถจะจะถอนอาบาอะไรบ้างจะลบทอนชีพขาดไบ้างพระอกรอบไม่ได้ถามนา่าสมตปรับอาัติด้วยความเคารพในความท้าควารพมหาเถรพระองคยอมแสดง ะ, ะและอีกข้อหนึ่งคือ วันที่ผู้เจ้าพริรีพานเนี่ยพวกในวันพวกมารัตค์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปการารบศพของพระองค์น้ําตาไหลหน้าตาพระองค์ให้น้ำตาของนาเหล่านั้นเปื่อนพระเริ็ะขอ ง, พ ร, องพระองค์พระองค์ไม่ไม่ไม่กีดไม่กันไม่อะไรอะไรพระองคกงงค็บอกว่ามันคั่งแล้วให้หลัะนาเหล่านั้นเข้าไปปราบแต่ก่อนไม่ได้กราบก่อนแต่ตอนเยัง มืพนา่นั้นเลยร้องให้น้ตาไปเพื่อพระบรส์ของเจ้าพระมหาเถระเหล่านั้นเลยพรอาวัทรพระุกกุฎะพระอนก็ด้วยความเคารพในพระเถระเหล่านั้นกยอมเสดแน่พระอน์เป็นนาตามตัวที่ตาพเจ้าหนอกตามตัวเพราะฉะนั้นพอ ผู้ที่เป็นต้นเงาโลกไปแล้วเนี่ยไอเราที่ตามเงาเนี่ยก็ลังโผ่ต้องโูกผู้มีอานาจเหนือกว่ารุเล่นงานรังควาเรา็นเรื่องธรดาทังายเขามักจะเจ้าเราพูดมาเผลี่ยวเที่ยเป็นลูกน้องของของคนมีอทพลไหนเมื่อมีิทิพลเห่านั้นก็ออกลัไปแล้วมักจะถูกเล่นงานตามอย่างไรกามท่ว่า้ามัน เป็นพระอรหัน์โง่เป็นอถ้ำกางพระพระอานนท์พระพระมหากัะสปะเป็นเป็นคนถามพระอานนท์เป็นคนตอบพระสูกสุก็สูนนะ้นระเจ้าสเสด็จที่ไหนก็สูนนะ้ำพระ เ, เ้น ถ้าเราเป็นคนบอกพระ ส, สูตรท่านแสดงที่นั่นที่นั่นที่นั่นถ้าอวานีเป็นคนตอบเกี่ยวกับพระพิไหยเป็นผู้วิสัชนาถ้ามราราสระเป็นคนปุ่ฉาเป็นคนถามถ้าอวานีเป็นคนตอบเกี่ยวกับพระพิณายถ้ามราราสระเป็นคนถามพระสูตรกับพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นคนตอบพระสูตรสูตรบทไหนบทไหนบทไหนพระนต์นจได้ห รู้ที่เจ้าไปแสดงต่อหน้าตาตามนักหลังตาตามรับไปแสดงรับหลังข้าลงที่ไหนก็ตามกลับมาต้องแสดงข้ามันฟังอีกเก้าเลยเพราะถ้ามันขอผ่อนเอาไว้มีเราพูดถึงผู้สมชัยนาผสมชัยนาครั้งแรกไปรอรองต่างเอาไว้มาทำชัยนาครั้ที่หนึ่งไม่มีจาราเลยนะมีแต่จำจำจจำช่ชื่อทอดมาทำชัยนาครั้งที่สองที่ วารุการามตรงไหนมาลูกเข้าไปแล้วเราไปแวะ ไ, ไ, ไ, ไปดูที่วารุการามทุกวันนี้มีมีปวดทามีปวดเราไปทุกที่น้มีเข้าครัวครอบครัวหนึ่งอยู่อะไรบุกเข้าไปดูเทวรูปเโบราณนะเราไปครั้งนะแวะไปดูที่วารุการามทั้งทีนะครั้งที่สามที่อโศการามอโศการามเราไว้ไปดูนะ เราไปอินเดียกลานั่นเอ็เโรดีอโศการามเมืออโศการามเียนี้อยู่นี่อยู่ปัตนาปัตนาสมัยนั้นคือปาตรีบทปาตรีบทวโศการามีครั้ทั้งขยนาคที่สามขยานาคที่สี่ขยานาคที่ห้านั้นจะมีการจบจารึกเป็นลายลัณ์อักษรทที่ไหนร่วมทที่ศีรษะารืที่ไหน ตำนานราีราไม่ก็ราไม่ไม่มีตานาดูเว้ยวาจำได้จาได้ตามที่เล่าเล่าสู่คนฟังแล้วจำต่อต่อมาถ้าจำถึงจำถูกก็ได้นะมีเล่าเล่าประกอบจากการที่พระเจ้าท่านดับกานแล้วก็มิผ่านในวันเป็นเดือนหกวันแรงแปดข้ามเดือนเดือนหกคือวันนี้เป็นวันเผาพระสริค้าของพระองค์ ที่มังกรพันธนาเจณดีนั้จากเผาสรมีการแบ่งพระโรสายพิพากษาของพระองเจ็ดหัวเมืองแปดหัวเมืองแล้วก็ไปทาเกณฑ์ดีจุไว้ที่มืองไหนบ้างท่น้างไปหาเลยหาตำามาดูทีนี่เราเปมนุษยทำไม่ได้ต้องดำานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเรา นี่สวินะเป็นสาวินะสาวินะสาวิน ส, สังขารเป็ น, ปปนองค์งขารองขาร า, าหล่านี้มันไม่ใช่อบรุทั์มันเป็นเรือนราของทง์มันเป็ น, เปนทเป็นที่อยู่เป็นครูหาก็ยินอยู่แต่ผูอยู่ต้องหาเ ร, ราือนร่านี้มันสุดไปโั่งไปสิ้นไปเสื่มไปมสลาย าจิจที่บรสทนะคือองธาแท้เราลองผู้องาเหล่านั้นไม่สูญไปนเลยนะไม่สูญไปจากโลองุธเหล่านี้มีอยู่จริงไม่สูญไปจากโลแต่กเราเป็นผู้ทชนเราไม่เห็นพราะผู้รู้กไวสุดไม่้มาพากิริสุขแม้แต่ผู้มีทประจักสุขก็มองไม่เห็น ถ้าผ้าปีนถึงจะมองเห็นมันอยากว่าอนุทางมองตานรถยาวเข้าสู่ปร AH ิผ <Man> ่านโตข้าชาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เขาอรชาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้าไปประทับที่สัญญาเวทีเในโห์รถคือเอาพระจิตที่บริสุทธิ์เียข้าชานเข้าชานในระหว่างที่ประทับอยู่ในองค์ชานเหล่านั้นเห็นมองเห็นแต่ถ้าไมาอยู่ในชานมองไม่เห็นองค์ชานเหล่านั้นเป็นสมองค์ชานเหล่านั้นเป็นสม สัญญาอวยพระยิ้มในโลกนี่ก็เป็นสมมุติหองตาแล้ว่าเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมถ้าเป็นวิหารธรรมเป็นเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมที่สุดฝนอบรมได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ความเป็นพระอราัมันเป็นที่ที่พระจิตได้พึ่งาอาศัยเป็นวิหารเป็นวิหารธรรม ชาที่หนึ่งที่สองที่สามสี่อารมณ์ชาที่หนึ่งที่สองที่สมือโลกนสัญญาเวทยิ่ตะหนีโลกเป็นวิหารธรรมเวลาพระจิตของเราประทับอยู่พระรู้ท่านมองเห็นตอนนี้ไปประทับอยู่ในสัญญาเวทิตะนี่โลกเหมือนกับดับสิเหมือนกับตายอะไรอนี้จนมิสุดท่าไรถามว่าโกรธนิพพานหรือยังพระรู้ท่านบอกว่ายังยังยังยังระทับอยู่ในสัญญาเวทยิ่งตระหนี่ แค่ปัญจที่บริสุทธิ์นั้นถอยกลับมาถอยมาถอยจากฌานอารมณฌานมาเข้าอารมป์ฌานมาจนพระจิบริสุทธิ์จังนานเข้าไปใหม่จากฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากฌานที่สี่ไม่อยู่ในฌานที่สี่และอรมณ์ฌานก็ไม่เข้าอารมณ์ฌานก็ไม่อยู่พระจที่บริสุทธิ์นั้นไม่อยู่ไม่ประทับในสมุทตพรู้ทักมองไม่เห็น ผู้ใดอย่างเดียว่าผู้สี่อภัยนี้ผ่านแล้วนี่พั้นก็จิตที่บริสุทนั้นไม่ไปไหนยังอยู่กับเราเนี่ยเพราะกาพูดเป็นปริศนาว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเราต้อเใช้ปฏิบัติตได้รับความสงบจิตเร้าสงกก็จะรับรู้เรื่องทัใจโอ้ความสงบของจิตพุศลเจ้าเป็นนี่เป็นนี้เป็นความสงบเป็นนีเป็น เรามีปัญญาทำลายกิเลสแต่ละั้นแล่ลขั้นแต่ันไปได้เราเห็ dagen, nah. นพระพุทธเจ้าทำลายไต้เห็นพระพุทธเจ้าเต็มบอกนั่นคือองพุทธแท้คำมาพุทธคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้ถึงผู้หลุดพันพุทธะพอสุดก็จะทำเต็มไปหมดนี้ไปเลย ไปภาวนาต่อนะใครจะอยู่ทั้งคืนก็อยู่ได้ไปเนสัตชิตทั้งคืนก็ไปได้บุชาพผู้ดีเจ้านะทนนี้เราไม่ต้องเวียนเทียนที่อื่นก็เนะวียนเทียนนะวันนี้